งั้นเรามีสติรู้ทันจิตใจเราเนี่ยได้สัมมาวายามะนะเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านนะจิตที่ไหลไปไหลไปเราคอยรู้ทันใ น, ะนส่วนจิตก็ตั้งมั่นไม่ไหลไปเราจะได้สมาธินะเรามีสติรู้ทันสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจคอรู้สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นรู้นะรู้จนจิตมันจําสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองเราฝึกไปเราจะได้สตินะ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 เรากำลังจะดูพวกจำปลอมผู้ชายก็อิจฉาเป็นกลัวเป็นไหมผู้ชายลูกผู้ชายใจกล้าหารถามว่ากลัวเป็นไหมเป็นระเบิดลงตูมวิ่งก่อนผู้หญิงอีกผู้หญิงมาแต่กรี๊ดกรี๊ดวิ่งไ่ทางในผู้ชายหนีไปลนะ้นะผู้ชายก็กลัวเป็นอิจฉาก็เป็นนะอะไรอะไรก็เป็นนะจริงๆแล้วความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้ว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 ฝึกไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้รู้รอย่างที่เขาเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงนะรู้ด้วยตามความเป็นจริงความจริงก็คือไตรลักษณ์ดูอย่างนี้นะพอไหวไหมเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นเมื่อเช้าจะยากนิดนึงสำหรับพวกนักวิชาการนะอันนี้สำหรับพวกไม่สนใจวิชาการเพราะฉะนั้นหัวละแฮหะเเผ ล, ผลไปแล้วเห็นไหม <laughs> นะเออนะรู้สึกนะรู้สึกนะเห็นไม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 เรากล่าวสึนทรพรพศเพาะเชียวแล้วก็ได้ทบทวนการปฏิวัติที่มันบางครั้งมันเปรยปออกไปนอกลู่นอกทางอยู่ต่อไหมมากขึ้นอยากต่ออยู่ต่ออยู่ได้อีกอ่ะให้อยู่อีกวันนึงก็ก็รู้สึกว่ามันทําให้เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นแล้วก็มาทวนหลักการที่สําคัญสําคัญให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะคือถ้าหลักแม่นนะการภาวนาจะง่าย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 งั้นโยนิยมโสมนาสิกาเนี่ยเป็นความแยกคลายในการสังเกตจะรู้ว่าตัวเองทำถูกหรือทำผิดทำมากไปหรือทำน้อยไปนะทำมากไปเนี่ยไม่มีมีแต่ทำน้อยไปแต่โลภมากไปมนะีเช่นเดินจงกรมนะเดินไป5นาทีก็คิดแล้วเมื่อไรจะบรรลุอะไรเงี้ยจะบรรลุอะไรสะสมกิเลสตั้งนาน<ม>ใชไหกูสลนเพิ่งเจริญไม่นานมันล้างกันไม่ไหวนะงั้นสะสมนะค่อยๆสะสม แ, แต้มไปดยไปฝึก เ, เอา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 เพลียแล้วก็เหมือนมีอะไรมันทาให้เราปวดปวดตามตัวนะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าหนูต้องดูตรงนอย่างไรเจ้าค่ะหนูดูใจไปนะแล้วก็สวดมนต์ไปภาวนาไปน ะ, ะดูไปร่างกายมันเจ็บนะใจเป็นคนดู ร, ร่างกายมันอิดโรยใจเป็นคนดูนะเ<ช>ก<ช>อย่างนี้บ่อยๆแล้วสวดมนต์เรื่อยๆไปอธิษฐานให้พระช่วยคุ้มครอง ใหาหายเจ็บหายป่วยอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อเจ้าค่ ะ, นะลคะแล้วสวดมนต์บทไหนยังไงเจ้าค่ะบนไหนก็ได้เอาเสื้อบทหนึ่งเจ้าค่ะแล้วพูดเรื่องจริงเลยนะอันเนี้ยหลวงพ่อเคยอ่านประวัติหลวงพ่อปานเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อปานบ้าหลวงพ่อปานมีตั้งหลายองคนะยังไม่ได้บอกเลยว่าวงไหนห <laughs> ลวงพ่อปานโสนันโทนะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมที่สุพรรณนะ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 เจ้าค่ะที่ฝึกอยู่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะเจ้าค่ะคือหนูรู้สึกว่าภาวนามันเฉื่อยลงเจ้าค่ะไม่ทราบว่าต้องเพิ่มเติมตรงไหนหรือเปล่าเจ้าคะก็ทํามีวินัยไว้ทุกวันจะเฉื่อยก็ทําไม่เฉื่อยก็ทํานะเจ้าค่ะไม่ใช่เฉื่อยแล้วไม่ทําถ้ามีวินัยไว้นะมันจะไม่เสื่อมนานเจ้าค่ะขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะห้าสิบได้ฟังซีดีมาได้ปีกว่าแล้วค่ะตอนนี้อยากจะขอการบ้านอะค่ะนะที่ฝึกก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ได้นะ สังเกตไม่จิตขนาดนี้ถึงฐานไหมไม่ไม่ทราบรอะค่ะแต่รู้แต่ว่าตื่นเต้นรู<ๆ>้สึกไหมใจมันโล่งๆออกไปข้างนอกค่ะนะัมันไม่ย้อนมาที่ตัวเองเห็นไหมมันวิ่งมาที่หลกงพ่อนึกออกไหมค่ะนะให้คอยรู้ทันนะใจไหลไปข้างนอกก็รู้ทันนะใจมันหดเข้าไปข้างในก็รู้ทันนะรู้ไปสบายๆรู้ไปเป็นกลางๆค่ะนี่ยแอบไปคิดทราบไหมนะให้กันบ้านแล้วนะจิตนี้ไปคิดก็รู้นะจิตไม่ถึงฐานคือ หลงไปข้างนอกเพลินๆบ้างไปเพ่งไว้ข้างในบ้างเนี่ยสองอย่างนี้ไม่ถึงฐานทั้งคู่นะถ้าถึงฐานใจจะโปร่งโล่งเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวอัในในี้ใจวิ่งมาที่หลวงพ่ออีกแล้วรู้สึกไหมออมันวิ่งไปวิ่งมาะนะดีไปฝึกต่อมากกวใครมมมม น, นั่นแหละไปสอนกันเองนะ 33, 33. 3 3มาม่กราบน้ำพการหลวงพ่อคะ่ะส่งกาบ้ า, บาเป็นครั้งที่สองเมื่อวานก็ส่ง ใช่ทำไมทรงบ่อยกว่าเราก็หลงเรียนมาในกลุ่มปฏิบัติของกรฟพก็เมื่อวานก็เลยไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมว่าเราเราดีขึ้นหรือยังก็รู้สึกยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยซึมลงนะคะแล้วก็คิดคิดเองว่าตัวเองประคองหรือเพ่งเอาไว้ทีนี้เนื่องจากว่าจะต้องไปปฏิบัติเองแล้วก็อยากให้หลวงพ่อตรวจว่าถ้าประคองเนี่ยเอาหลักไปถ้าประคองแล้ใจจะแน่นนะ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 ดูที่ใจนั่นแหละเบอร์23บแต่ไม่ใช่หายทุกคนนะที่ตายก็มีนะ <S <S ไม่ใช่โอ้มาดูถวายพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตายไม่ใช่ดอกไม้ตัดใส่ใจกันยังไงก็ต้องเน่าแบบนมัการหลวงพ่อค่ะมาครั้งแรกกับพี่สาวแล้วตอนนี้ก็มาฝึ ก, กพูดดังๆหน่อยยกไม้แบบร้องคาราโอเกะตื่นเต้นเจ้าค่ ะ, คะยกเข้าใกล้ๆอย่างนี้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 มาประมาณหนึ่งปีก็ด้วยความอนุเคราะห์ของน้องเปิดให้ฟังในบ้านนะคะพลอยฟังไปด้วยก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าเราเข้าใจอก็พอได้โอกาสทางการใช่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกเพราะมันง่ายกว่าที่เราคิดอ๋อได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าง่ายทุกครั้งเลยค่ะแต่ว่าเวลาปฏิบัติไม่เพราะเราไปวาดภาพนะการปฏิบัติคือการที่ต้องทําอะไรแปลกๆ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 อย่าให้ใจหย่อนลงไปแบบนี้นะมนนไม่งี้แมวนะ <c oughs> ดูไปงี้แมวนะมันมันอ่อนแอไปนะเตือนตัวเองนะกระตุ้นตัวเองให้มันเข้มแข็งหน่อยนะจิตหลงไปแล้วทราบไหมทราบค่ะ <c oughs> นะว่ามันตื่นเต้นมากเกินฟังอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้ว <c oughs> มากับใครล่ะ <c oughs> มาด้วยกันเหรอ <c oughs> ช่วยจําไปหน้านะนะ <c oughs>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 เราคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆนะต่อไปสติมันเร่เกิดเร็วรแต่ถ้าเราไม่ทำในรูปแบบเลยนะดูไปเรื่อยนะในสุดหมดแรงือดูได้ไม่ชัดหรอกเงื้สมาธิเนี่ยการทำในรูปแบบได้ได้ไดสมาธิด้วยหลวงพ่อเจ้าคะ่ะถ้าสมมติว่าหนูนั่งหนูเคยนั่งสมาธิอะค่ะประมาณหกชั่วโมงอะค่ะแล้วเห็นเวทนา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 เรากําลังตรจจ้จองหรือเรากําลังใจเพ่งแล้วสภาพวั น, นั้นก็ไม่ได้รู้หรอกแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นอ๋อแค่นี้มันมันก็จะวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราเรียนกรรมฐานนะธรรมปัจสนาเนี่ยเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะเราไม่ใช่ว่าเพื่อว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรไม่จําเป็นเลยเพราะฉะนั้นมันวนมาอย่างนี้ทุกรอบก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมันมยั<ห>่วให้เราไปดูทุกรอบแล้วก็รู้ว่าเราดูทุกรอบก็โอเคแล้วใช่ไหมก็รู้ว่าอยากอยู่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 มันพอไปได้ในชี<ด>่ต่างกต้องเอา อ, ออกครับได้ครับนะแต่ตอนนี้เพ่งแรงไปหน่อยตื่นเต้นเห็นไหมงั้นเรียนกรรมาฐานหนะ้าอยู่ไปฟังของคนอื่นเขาส่งกันบ้านส่งกันไปส่งกันมานะั้นในห้องนี้เต็ไมไปด้วยคนอิดฉ้าอันเบอร์หกสิบแปดกลับรรมสการหลวงพ่อนะครับก็ฟังซีดีมาสองปีครับมีเพื่อนเขาเอามาให้ฟังนะครับก็ถามว่าได้ทําอะไรไหมก็คือโดยตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าได้ทําอะไรคือ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 คนอ้าง <raining> ไปทำในรูปแบบนะบพุดโทรไ้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปนะสมาธิอ่อนไปสี่สิบหกค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านรอบหเดือนนะคะคือหนูไปตามรู้ที่หลวงพ่อสอนว่าให้เอาการเคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่อะค่ะก็ดูโดยให้ร่างกายทำงานแล้วก็ย้อนกลับมาดู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 ทเะเ ก, กา่าในมัดกันค่ะคือว่าหนูปฏิบัติตามพระอาจารย์ปามโมยอะคะ่ะมาประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะปาโมยไหนอ ะ, ะโโชว์เปล่าตามหาอาจารย์ปาโมยค่ะค่ะมีหลายองค์นะปาโมยนะ <c oughs> อะแล้วไงปฏิบัติมาสองปีกว่าแล้ว่ะคะ่ะแล้วคื อ, อคราวนี้ค่ะตอนปฏิบัติปีแรกๆค่ะคือว่า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 อยากให้หลวพ่อช่วยแนะนําให้หน่อยอะค่ะว่าทํายังไงให้สติมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอะค่ะท่องพุทธโธไว้ได้ไหมได้ค่ะท่องพุทธโธพุทธโธสบายๆนะ <ข S 2> พุทธโธแล้วจิตหนีไปรู้ร <ข S 2> พุทธโธแล้วจิตเป็นสุขก็รู้พุทธโธแล้ววุ่นวายขึ้นมาก็รู้พุทธโธแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้พุทธโธนะแล้วรู้ทันจิตบ่อยๆนะแล้วสติจะเกิดเร็วขึ้นถ้าไม่ <ข S 2> ชอบพุทธโธก็ไปรู้ลมหายใจหายใจไปแล้วมีความสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้พุ้งซ่านก็รู้นะรู้ทันจิตไป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 ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนโยมเวลาไปทำงานก็จะเผลอ <Gla z, S 1> ไปนาน <ทำ S 1> หงานงทำงานต้องยกเว้นนะทำงานเนี่ยเราต้องคิดเวลาที่เราคิดเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะฉนั้นเวลาทำงานเนี่ยตั้งใจทำงานไปแต่ทำ<อ>แล้วกิเลสเกิด<อ>เช่นขี้เกียจเนี่ยรู้ว่าขี้เกียจใชค่ะแล้วก็โยมก็พยายามที่จะท่องพุทโธบ่อยๆแ้วก็ทำไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็จะหายไปค่ะ ห, หายแล้วรู้ว่าใหม่ท่องใหม่ <laughs> นิ่นของคนที่ว่าใจลอยตะเคียวเห็นไหมมันลอยมาหาเขาแล้ะของคุณนะ่ารู้อารมณ์ที่หยาบขึ้นนิดหนึ่งรู้ร่างกายช่วยด้วยนะดูจิตอันเดียวนะเบาไปบางทีสติอ่อนไปตามไม่ทันแนละหายไปเลยนะรู้สึกร่างกายให้เข้มข้นขึ้นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชายตะเคียวแ่้วอของโยมเหรอคะ <laughs> ก็ดูไปสินะดูดูกายด้วยนะ <laughs> ดูจใจอย่างเดียวมันอ่อนไปแปดสิบสอง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 เห็นแล้วจืดจืดเห็นรถก็อย่างนั้นแหละจืดจืดขอถามอีกนิดนึงตัวเองเป็นนักวิ่งอะคะ่ะ อ, อยากถามว่า ส, สมัทธะระหว่างวิ่งได้ไหมคะระวังจิตรวมแล้ววิ่งไม่ได้นะคือเป็นลักษณะว่าเรารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจณขณะวิ่งอะได้ไหมคะได้แต่เราวิ่งออกไหมออกค่ะวิ่งออกก็วิ่งไปะนะครับขอบคุณค่ะยีหนึ่งไม่ใช่วิ่งวิ่งแล้วกาลังจะถึงเชือกแล้วจิตรวมปุ๊บ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 แต่มันมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอะคะพระอาจารย์ก็เลยสงสัยว่าตัวเองควรจะนั่งทําสมาธิต่อไหมทําทํานะแต่ว่าพอออกจากสมาธิแล้วเหลือตัวนิ่งอยู่ก็รู้ทันมันนะค่อยๆ ค, ค, คลายออกอ๋อครับพรนะอาจารย์คือถ้าเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะทุกตัวแสดงใจรักและเหลือตัวเดียวไม่แสดงใจรักเนะี่ยปัญญาจริงๆยังไม่เกิด อ, อ่ะค่ะนะ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 ท่านสารภาพกับหลวงพ่ออยู่บ่อยๆเลยองนั้นก็กลัวโยมงนี้ก็กลัวโยมความจริงไม่ใช่ท่านภาวนาสู้ไม่ได้นะแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันฟังของเขาส่งกันบ้านนั้นเราไม่เข้าใจเราก็รู้สึกประหลาดอ้าวของโยมว่าไงพระอาจารย์อีกเรื่องนึงครับเวลาเราเห็นเวทนากจิตมันแยกกันอยู่ อ, อย่างเราดูยังไงต่ออีกครับพระอาจารย์ดูไปสินะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันไม่เที่ยงครับอาจารย์ไม่เที่ยงก็มันก็ดับไปใจก็ยังเป็นคนดูอยู่ก็ยังดูดูแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีอันอื่นมาให้ดูอีกค่ะอารย์แล้วจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเดี๋ยวก็หลงไปคิดคช่ไหมจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดดับเหมือนกันดูอย่างนี้แหะค่ะนะกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์เชิญกลับบ้านได้นะ